กินการเกล็ดที่มักจะเป็นกิเลสที่ครอบงำทีนี้การที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือขุดเก่าขุดเก่าอันนี้ก็ต้องมีทุดดวงวัดตามหลักของศาสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้ ทิศทางเอาไว้อีกทางหนึ่งก็มีกรอบของธุดงกวัดเพื่อขูดเก่าอยู่13เรื่องมันก็ลงอยู่ในการกินเกล็ดคณะของเครื่องนุ่งห่มอย่างปรก็ต้องบางสกุลเป็นผ้าบางสกุลชุดปลานี้ออกแบบมาโดยพรา น, นุ ใจแล้วนะของนาผืนนาที่แกนมคตออกแบบเอาขันนาผืนนาเป็นขันเป็นขันเป็นขันเอาพาบางสกุลก็คือชักมาจากศพแล้วก็มาตัดเฉพาะส่วนที่ดีๆนะไม่เล ะ, ะเรแล้วเก็บไว้ก็จะมีอายุวัน ถ้าเกินนั้นก็ไม่ต้องเอามาใช้ถ้าไม่เกินก็มาต่อกันได้แล้วก็มาตัดยอมตัดเจ็บแล้วก็ยอมแล้วก็มาใช้อันนี้ก็ถือเป็นทุดองกวัดด้วยถือลักษณะจบวัสามผืนแมวผืนที่สี่อธิฐานจิตตั้งสัจจะเอาไว้พอใจแค่สามผืนเนนะ ใช้ตามมีตามได้การรับประทานอาหารการฉันอาหารการได้มาของอาหารที่มาของอาหารมาอย่างไงก็ฉันกันไปอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นตัดงกวัดหรือว่ามือเดียวครั้งเดียวแล้วก็เลิกไปเลยอาชนะเดียวหรือว่าในหนึ่งครั้งไม่ต้องต่อตักไหนขั้ไหนก็ฉันกันไปแค่นั้นไม่เป็นตะลักก้อตะละก็อะก้อตะลักก หรือว่าอธิษฐานอยู่กวนไม้จะไปขึ้นบนเรือนอยู่แต่ในป่าไม่บอกมากลางแจง้งหรือว่าอยู่กลางแจ้งไม่เข้าไปในป่าก็ไปเห็นความทุกข์ยากลําบากความไม่สะดวกความไม่สบายจิตก็ก็จะแสดงตัวตนของเขาออกมาคนเคยทุกข์เคยยากอันนี้มันก็ผ่านได้ไง่ายๆ คนเคยสุขมาอันนี้มันก็จะไม่ค่อยผ่านพอไปอยู่กับธรรมชาติพลังของธรรมชาติมันก็จะบอกทิศบอกทางเลยอยู่สายลมแสงแดดอยู่ ก, กลางฝนมันก็จะบอกถึงพลังข้างในของเราภูมิต้นทานภายในใจของเราด้วยจิตปกติร่างกายปกติหรือว่าไม่ปกติอย่างไรจะแสดงออกมาชัดๆเวลาเราปฏิบัติกันก็เหมือนกันแหละ อันนี้เราไม่เอาอารมณ์ข้างนอกมาเกี่ยวข้องเบืนะ้องต้นก็นเรียกสัมรวมรูปรสกลิ่นเสียงเราไม่ดูได้แล้วก็ไม่ดูวเรียกว่าสัมรวมยิ่งเรามีความรู้สึกตัวการเคลื่อนกันไหวแต่ละขณะเนะี่ยพอเรารู้สึกตัวปั๊บมันมีสติอันนี้จะเกิดการสัมรวมเลยโดยอัตโนมัติเลยพระจิมทำงานได้ทีละขณะนะไม่ออกไปทางตาทางหูนะรูปรสกลิ่นเสียงมันจะสัมผัสที่กายนะอันนี้เป็นตัวสัมรวมนะั่นแหละ เราก็ได้เห็นข้างในแล้วนนี้มันไม่ใช่ข้างนอกแล้วนะมันเป็นลรื่องของมีบากหรือว่าสิ่งที่มันทำให้เราลำบากมาก่อนๆเก่าๆแล้วก็กระทบให้ภายในความผู้เก่าๆปัญหาเก่าๆในอดีตบุคคลหึงสองสามทูนึ่งสการใช้ชีวิตที่เราเกี่ยวข้องกับสังคมกับบุคคลเศรษฐกิจหรือว่าการเมืองการเงินสุขภาพต่างๆหน้าที่การงาน เคยสมหวังเคยไม่สมหวังมันก็จะปรากฏออกมาเป็นรูปรอยแห่งความคิดในอดีตเป็นเรื่องข้างในนะคราวนี้เรามีความรู้สึกตัวว่าดึงจิตมาสู่ปัจจุบันขณะปัญญปะจจุบันขณจะทําให้เราได้เห็นสภาวะที่มีความแตกต่างมันเป็นพื้นที่ภายในที่มันมีความแตกต่างรองรอยที่มันเคยทําให้เราทุกข์ ปัจจุบันขนาที่มันเป็นปกติมีความแตกต่างมันจะเลือกจเจริญโยกความเป็นปกติเลือกความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวรูปแบบแล้วก็จะยินเห็นความทุกข์การแสดงนั่งนานๆเจ็บปวดเมื่อยเดี๋ยวปวดปวัสสาวะเดี๋ยวปวดอุจจาระเดี๋ยวมดก็ะต่อะไรก็ตอมยุงก็กัดแต่เดี๋ยวก็มีปฏิยาต่างๆมากมายเกิดขึ้นมาได้ลมพัดเดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวอากาศเย็นเดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวมีฝุ่นเดี๋ยวก็มีคนไปคนมาเดี๋ยวมีเสียงมีเครื่องมันก็ทบมันก็เริ่มเห็นแล้วล่ะเพราะว่าจิตมันปกติอยู่ะตรงนี้นเป็นการฝึกฝนจริงๆกลับมาดูข้างในนะี่ยิงยุ่งยากแนะ่ยิ่งเราเดินไม่เปลี่ยนที่นะเดินไปเดินกลับจงกลมเนี่ยก็หมายถึงการเดินไปเดินกลับทุกขณะที่มันกลับตัวตรงนั้นมีเจตนาที่จะกลับตัวมันเกิดสติตรงนั้นละครั้งหนึ่งละ มันแตกต่างอยากเดินไปเรื่อยๆนะยังไงก็แตกต่างแต่ถ้าจับความรู้สึกตัวเป็นมันอยู่ที่ก้าวเดียวแต่ละก้าวเดียวเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดบางกายวางใจมันอยู่ที่ขณะเดียวขณะเดียวไปเรื่อยๆทําแล้วก็วางทําแล้วก็ทิ้งไปทําแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็แล้วไ ป, วไปวมีแต่ปัจจุบันขณะไปเรื่อยๆนั้นจงกลมจอดจานงูงูกระไก่รอเรือ ม, มาม่าหมายถึงการเดินกลับไปกลับมา เก้าเก้าสิบเอดเก้าสิบสามเก้าสิบห้าเก้ามันจะกลับพาดผาดีซ้ายทีหนึ่งขวาทีนึงนีมันก็จะมีเทคนิคเป็นลอกษณะของกุศโลบายนะที่ทําให้เกิดการปิบัติรัดรัสั้นๆขึ้นมาอารมณ์ข้างนอกเราก็ผ่านมาเยอะละวนะส่วนใหญ่ก็ดูดแล้วก็ชวนเราลงมากเลยแต่พอเรากลับมาดูด้านในจริงๆเราเห็นข้างในนะโอ้โหมันเป็นภัยที่อยู่ในตัวเราภัยวัฏสงสารที่อยู่ในรูปของความคิดการปรุงกันแต่ง มันอยู่กับเรานอนมันก็นอนด้วยเดินก็เดินด้วยนั่งก็นั่งด้วยจะทําอะไรมันก็ทําตามเราอย่างเงี้ยเราจบขนาดไหนมันก็จบเท่ากับเราเลยไม่กันละด็อกเตอร์มันก็เป็นด็อกเตอร์ด้วยความชานาญของมันก็รอเก่งคราวนี้เราก็จะเผลอหลงเข้าไปเราเป็นอยู่ของของที่มันอยู่กับตัวเรานมันอยู่กับเราแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเรางั้นพอเรากลับมาดูข้างในเห็นโอ้โหมันมันเต็มไปหมดเลยอะ ขนไก่ก็มันนี่สลับซับซ้อนแต่ก็ไม่ยากเกินไปนกะเพราะาเรามีหลักมีฐานชัดเจนทุกครั้งที่เื่อนไหวก็ต้สัมผัสรู้สึกตัวนี้ยมันเป็นหลักเป็นฐานที่ชัดเจนเราก็เลยเห็นแล้วว่าอ๋อไอ้ตัวนี้แหละมันคือการขูดเกาทุกครั้งที่รู้สึกตัวข้างในแสดงอะไรออกมาถูกรูถก้ถูกเห็นรู้เท่ารู้ทันข้างในพอมันรู้ในก็นรู้นอกปกติมั น, นหลงนอกหลงนอก เราก็เลยเอาละเอาไว้ข้างนอกก่อนออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องในเรือนแล้วจึงเกิดเรื่อะของการมาอยู่วัดอยู่ว่าจะแล้วเราก็พยายามอะไรที่เป็นแบบคนอยู่วัดอวาธรรมเราก็พยายามชุมชนว่าไงเราตามตามกันไปพอแม่ครูบาอาจารย์เราเคยคิดเคยพูดเคยทาวางนโยบายไงเราก็ทํากันไปฟังแล้วน้อง ม, มาปฏิบัติกันยิ่งฝึกก็ยิ่งทุกข์กันนะยิ่งเห็นทุกข์เท่าไหร่กนะ็ มันจะเกิดการตื่นหูตื่นตาขึ้นมาความทุ่มทําให้ออกดอกออกผลทีเดียวอันนี้มันเป็นลักษณะทั้งหมดเลยที่เราสามารถพิสูจน์ได้ความทุกข์หนึ่งทำให้ออกดอกออกผลจริงๆเป็นมรรคผลที่พ่านได้เลยทั้งน้นำธรรมไม่กระทั่งรูปธรรมก็ตามรูปธรรมเนี่ยการออกกำลังกายทุกเท่าไหร่มันจะมีผลกลับมาเป็นกรวิปลาบอมเป็นเอนโดฟินทั้งหลายวิชาลเลย หรือไม่ต้องไกลนะจากที่นี่ไปประมาณร้อยเมตรเนี่ยอยากโยมลงไปดูนะมีต้นมะม่วงอยู่ต้นนึงทั้งต้นเนี่ยมันมีดอกดอกอยู่กิ่งเดียวแล้วเป็นกิ่งที่หักด้วยช่างก่อสร้างแล้วทํางานก่อสร้างแล้วก็ทำมันหักแล้วมันก็ออกลูกกิ่งเนี่ยประมาณสองนิ้วนะอาจมาไปนับช่อมันได้สามสิบหช่อช่อมะม่วงกิ่งเนี้ยสองนิ้วกิ่งเนี่ยสามสิบหช่ออาจมาก็มาดูนี่มันทํามะนะมันรู้ว่ามันจะตาย มันชิงออกดอกออกผลแหละเพราะนั้นม่วงอยากให้ออกดอกออกผลมากๆไปจับต้นหละมาเพลาอีอย่างคนบาลานก็เข้าถึงธรรมชาตินะดูว่าต้นไผ่นะโอ้ถ้าเขาจะออกดอกออกผลนะแสดงว่าพร้อมแล้วที่จะตายก็จะออกรูออกหลานไว้เยอะเลยชีวิตที่มีความทุกข์ขณะปฏิบัติเนี่ยมันบอกถึงมรรคผลผนิพพานนมันจะทําให้เราเห็นนว่าความทุกข์เนี่ยมันมีเหตุก็มันอยู่ โดยเฉาเหตุก็คือความคิดแล้วหลงเข้าไปในความคิดเนี่ยนะตัวเนี้ที่เรารู้ไม่ทั่วไม่ทันเสร็จแล้วมันก็จึงนะไปเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาคิดแล้วโกรธคิดแล้วโลดคิดแล้วหลงนี่น ะ, ละคิดแล้วก็ลักคิดแล้วก็ชังคิดแล้วเกิดความอิจฉาหรือจียามันเกิดผลพวงมาจากความคิดเนี่ยที่เรารู้ไม่ทั่วไม่ทันไม่ว่องไวพอจากอยาไปหาละเอียดเลยมันมีก็มันอยู่จริงๆ ก็ได้ประจับความรู้สึกตัวได้แล้วเนี้ยมันก็จะได้หลักในการเปรียบเทียบวัดตถุตลอดเวลาเลยมันมีอะไรเกิดขึ้นมามันก็ผิดปกติแล้วล่ะข้างนอกผิดปกติคือมีการเคลื่อนไหวอยู่เป็นอาการกิริยาวันนี้ถ้าเรามองด้วยปัญญาแต่ถ้าเรามองไม่มีปัญญามันก็จะไม่ได้มองเป็นอาการกิริยาเป็นวัตถุเป็นอาการมันก็จะมองเป็นตัวเป็นตนเลยเราชอบเราไม่ชอบสิ่งนั้นจะมีผลมากระทบ กับภายในของเราทันทีตรงนั้นแหละเราก็จึงเหมือนกับว่ามีทุ้ดงอยู่แล้วในตัวะแต่ถ้ายิง่งออกไปทุ้ดงจริงๆก็ยิ่งดีนะทู้ ด, ดงจริงๆนั่นหมายถึงว่าออกไปโดยที่ออกไปเลยไม่รู้จะไปที่ทางไหนไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ดูเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมาท่ากระหน่ำจะผักจะใสไป็นยังไงมาทีมีคนนิมนต์ไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นแล้วดูที่จไปแล้วจะเป็นยังไงโดยมีการจัดวางแผนอะไรไปทั้งหมดเลยนะ ไปแบบไปตายอาดาบหน้ายิางเลยกล่าวว่ามีแค่นี้เราไม่ต้องมีอะไรเลยมีตะ ก, กายกระใจแล้วก็ผ้าสามเปลือยแล้วก็เดินแบบไปตายอาดาบหน้าก็เคยมีพระนะทําอย่างนั้นแล้วไปตายจริงๆนะมีพระรูปหนึ่งที่วัดป่าสุกโตเมื่อช่วประมาณสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สิบห้าประมาณไปอยู่รูปนึงท่านก็เข้มแข็งมากขณะปฏิบัติอยู่ที่นี่ชื่อพระอาจารย์ทีละ เสร็จแล้วท่านก็ไปแถบกาญจนบุรีแถบนั้นมันก็เสือสัตว์ลายงูหรือว่าทากเยอะมากแล้วท่านก็เดินจะให้ไปทะลุจังหวัดตากนอุ้มผางแล้วเข้าเชียงใหม่ท่านก็ไปแล้วก็ได้ขายที่ลท่านเสียชีวิตแล้วท่านท่านไปแบบไปแบบถวายชีวิตเลยท่านบอกว่าผมไปตายจริงๆงานนี้ผมไปตายจริงๆและท้ายสุดมาทราบขายที่ท่านก็ตายจริงๆอย่างที่ท่านพูดนั้นอันเนี้ย กดูโอ้ท่านเป็นนักลบนะท่านเป็นบุคคลที่เด็ดขาดเมื่อคิดอะไรพูดอะไรแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นเลยแล้วก็บูชากันอย่างนี้นหรือภาพอาจารย์อีกรูปหนึ่งพระอาจารย์นบัตดนัท่านก็เรียกว่าเกิดความทุกข์มาขนาดไหนท่านก็เรียกว่าไม่ไทิ้งธรรมนะทําวัดสวดมนต์ท่านกล่าวลงแล้วก็ปุกตายกาที่เลยเนาะบุคคลเหล่านี้ไม่กลัวตายคนที่ไม่กลัวตายคนที่นะเรียกว่าเห็นความตายแล้วละ ตกกระไดผัะกกชนเป็นเราก็เลยได้เห็นว่าโอ้รัษณะของตัวมัจจุมาเนี่ยเป็นตัวที่ละเอียดแล้วก็มันมาในข้ามความกลัวทั้งหมดไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตามท้ายจะเป็นตัวมัจจุมาเป็นด่านการจิตของเรานไม่ให้มารู้ถึงธรรมะสูงชั้นสูงมันมีอยู่เราจะกลัวอะไรไม่ได้ตุดงกวัดก็ขูดเกาเราตัวปิบันก็ขูดเกาเรา อาการต่างๆสิ่งความ้อมภายนอกภายในต่างๆก็แสดงออกให้เราได้เดินทางทั้งหมดเราก็กลับมาเห็นสภาพธรรมเราเนี่ยตามความเป็นจริงมันจริงไม่ว่าจะเป็นความสบายไม่สบายเราสามารถที่จะรู้เท่ารู้ทันได้ถ้าหากว่าอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสจากหยาบไปเรื่อยๆมันที่มักจะมาปะจน ในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีตัวมัจจุมานลตัวหนึ่งแล้กลัวนั่นกลัวนี่กลัวนู้นอย่างโยมงกง็าตายในบางคนไม่กล้าเดินผ่านกุฏิเลย ล, ละพยายามเดินอ้อมเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนอันนี้คือตัวมัจจุมานลเทวปุตตมานันนี้คือกลัวลําบากประเภทนี้จะขวนไกวขวนไกวหนึ่งสองสามสี่อะไรต่างๆนานาแต่ว่าถ้าเป็นหน้าที่หรือว่ามีกิจที่จะต้องดูแลอันนี้ก็ เร่ยกว่าที่การเราก็ไปจัดการหามาให้เกิดความสะดวกอันนี้ก็ไม่เป็นไรต่อมาก็คือลรื่องของกิเล ส, สมานกิเลสมานก็นมาในคราของความคิดความโลภความโกรธความหลงอันนี้ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็แน่ละถ้ามีสติรู้ก็เกิดประโยชน์มันเป็นฐานเยี่ยบให้เราสูงขึ้นเหมือนกับน้ํามันตัวมันเบาน้ําในมันหนัก กิเลสนี่มันหนักนะหนักอกหนักใจอะไรที่อะไรว่าทุกข์มาแบกเอาไว้รถบรรทุกเนี่รถกระบะบรรทุกทุกข์ของหนักกีตันกีตันนะถึงเหมือนกับคนแบกโลกแบกความคิดเนะี่ยมันแบกเอาไว้แต่พอเรามีสติมีความรู้สึกตัวใจมันก็เบาขึ้นมนาะเปรียบเหมือนน้ามันมันแยกกันเลยเราก็เห็นได้ชัดเวลายึดเข้าไปมันก็หนักทุกทีอะอะไรก็ตามอะ แต่พอมันวางทีไ่ไรมันไปทีไรเอามันเบาทุกทีเวลารู้สึกตัวแล้วมันเบาทุกทีเป็นปกติทุกทีอน น, นเราก็เลือกเป็นมันก็เห็นร่องเห็นรอยละความรู้สึกตัวนึงก็มีอยู่ตลอดเว ล, เวลาการเคลื่อนการไหวของกายก็แสดงอยู่ตลอดเว ล, เวลาของจิตก็เหมือนกันแต่จิตนี้เป็นนมามธรรมบางทีมันมาในรูปรอยของอภิสังขารมานอภิสังขารสังขารคือการปรุงแต่ง อภีคือยิ่งใหญ่นะนแล้วก็ปรุงแต่งแล้วนะที่ปัญญาที่สังขารคิดแบบดีมากๆสุสวยรวยดีจําเป็นว่าทำอภัยนี้นั่นแหละจารีตต่างๆเป็นบนสิบสอของสิบสีที่เคยพูดไใบๆอย่างนีอีกอันก็คืออปัญญาที่สังขารไม่ใช่บุญก็คือเป็นบาปมันก็จะคิดของมันไอ้สองตัวนี้จะมีค่าเท่ากันถ้าเราเข้ากรรมฐานาแล้วอย่าเนอะคิดดีแล้วก็เขี่ยออกไว้ก่อน ขณะนี้รู้สึกตัวหรือกระทางเดินจงกลมเี้ยคิดไม่ดีเราเคลียร์ออกไปก่อนตอนนี้นะเป็นตัวที่มาเป็นอาการที่เราไม่ได้กระทํามันเป็นเรื่องทีนะ่ซ้อนแล้วก็ซ้อนขึ้นมาื่อทีก็ะแปอดีนทีกรไปดนะก็เรากลับมาสัมผัสกระทบรู้สึกกระทบรู้สึกอย่างเประเด็นมาเหล่านี้มันก็มาให้เป็นบารมีเราฝึกฝนปฏิบัติธรรมก็เกิดบารมีขึ้นมา เราก็เฉยได้รอได้คอยได้ให้อภัยได้เป็นทานบารมีเป็นเมตตาบารมีเป็นขันติบารมีเป็นปัญญาบารมีเป็นเวยะาบารมีก็ขึ้นอยู่ที่นะเวลาเห็นมาแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวทุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตั ว, ตวมันก็เต็มเข้าไปเต็มเข้าไปเต็มเข้าไปความรู้สึกตัวมันก็เต็มเข้าไปเต็มเข้าไปยเปรียบเหมือน ความเปียนตนี้เปรียบเหมือนกับเอาทรายมาใส่ถมมหาสมุทรทีละเม็ดทีละเม็ดหรือว่าเมล็ดงามีการเปรียบเทียบนะความเพียนตัวนี้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าร้อยปีเทวดาว่าหอ่อลงมาแล้วเอาทรายเมล็ดงานไปถมทะเลครั้งละหนึ่งเม็ดครั้งละหนึ่งเม็ดจนเต็มความเพียนมันจะมีสักขนาดไหนกันหรือว่าเขาพัสุเมนเขาพัสุเมน ร้อปีเทวดาก็ขอลงมาภาพแพ่ชั้นดีปัดลงไปเว็บแล้วก็ไปอีกร้อยปีก็ลงมาแล้วก็แว็บปัดลงไปจนกทั้งภูเขาศีลาแท่งทึบนะล่าเป็นหน้ากองชัยก็คือต้องใช้ความเพียรสูงมากตรงนี้แหละมันทุกข์ยิ่งทําก็ยิ่งทุกยิ่งทําก็ยิ่งทุกข์พอเห็นทุกข์มากๆก็เออเคยนะเลยเป็นความเคยชินมันก็ผ่านแบบเคยชินบางทีมันก็ ไม่ได้ไปทำอะไรกับมันนะมันเกิดอินทรีย์แก่กล้าวขึ้นมาเมลัยก็ไมันร่วมกันแล้วมันก็ผ่านได้นั่งได้นานขึ้นจากห้าที่เป็นสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงนะเราก็ได้เรียนรู้เออก่อนทุกข์ก่อนเดี้ยมไปยังไงสภาวะอาการต่างๆนะเราก็เลยต้องบางทีต้องขอพูดมันได้จําไปก็เป็นครูสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสัตว์สรรสิ่งเป็นธรรมะที่กําลังให้เราได้เดินทางสู่การพ้นทุกข์ ก็จะเป็นเรื่องที่เราเหมือนกับว่าต้องมีประสบการณ์ละไม่มากก็น้อยของแต่ละคนแต่ละท่านส่วนตัวผมแเรื่อมงมนี้ชอบเดินป่าเดินเขาเมื่อสมัยตอนก่อนบวชนี่ชอบมากมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยมีประสบการณ์ก อ, อยาเรานิดหนึ่งตอนนั้นเดินเดินที่ดอยเนนนกับอาจารย์ระวีพาวิไลซึ่งเป็นกลุ่มของธรรมสถานจุฬาแล้วก็พอดีช่วงนั้น มรมเลมาเป็นประธานชมรมพุทธอยู่ที่เทคโนโลยีที่เชียงใหม่เสร็จแล้วมันก็มาเกี่ยวข้องกับมอชอแล้วก็เกี่ยวข้องกับของจุลาแล้วก็เราก็เป็นคนนึงที่ตองไปร่วมงานกับเขาเสร็จแล้วก็เดินมันท้าทายตอนที่เดินขึ้นเขาเนีเดินแบบตัวเบาเดินแบบใช้เท้าจิกเบาๆแล้วก็เดินไปแบบมันมากเลยเดินแล้วเกิดปิตินะ แล้วเกิดความเบาปิติมีความสุขกับการได้เดินอยู่ในป่าแล้วไม่ต้องใช้ความคิดมากๆรู้สึกว่ามันก็มีรสชาติในะการเดินป่าเดินเขาตกเย็นอย่างเงาเคยมีครั้งหนึ่งบัด น, นั้นอาหารมันหมดแล้วพรุ่งนี้เช้าจะไม่มีอาหารรับประทานกันทั้งกลุ่มโอาแต่มาเลยอาสาก็นะมาเดี๋ยวผมลงไปเองก็ไม่เคยเดินป่างคืนไม่รู้เป็นไง ก็เดินลงมาจนกระทั่งป่านนี้แหละมือเมื่ออย่างนี้แหละก็เดินเอาอาหารจากจอมทองอเดินเข้าไปใหม่แล้วก็เดินขึ้นเขาไปที่มันตกนปรากฏว่ามันมันหลงอะเพราะว่าป่างคือในเราหมุนข้างเดียวเนี่ยมันมันไปไม่ถูกเลยนะต้นสนนี่มันเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนกันทิศทางนี่เหมือนกันหมดเลยหลงเลยไม่รู้ไปทางไหนตอนเดินลงมาก็หักยอดไม้หักยอดไม้ทะะําสัญลักษณ์เอาไว้แต่พอ ตอนมันหลงนี่มันหาไม่เจอจริงๆมันก็คือหลงอะไนเะสร็จแล้วคืนนั้นเนี่ยมันก็ระลึกว่าอาหารที่เราแบกมามีฟักทองมีไข่มีเนื้อสัตว์เสร็จรแล้วไอ้เนื้อสัตว์เมันเป็นของค่าวแล้วกินอาหารเนี่ยบางทีมดมันอาจะมาหรืงทีสัตว์ลายก็อาจะมาได้กิน่นข่าวเนื้อตรงนี้ยก็หอไปวางไว้ใกล้ๆตัวก่อนเสร็จแล้วก็หาที่ซุก ทิมเป็นดเนินๆสูงๆเพื่อที่อะไรขึ้นมาแล้วก็จะได้เหมือนกับรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็จะมีมีดอีกอันหนึ่งเป็นมีดสปาตา้าใจสําหรับป้องกันตัวอยู่ทีนี้วันนั้นก็คิดว่าอบอุ่นมากมีมีดอันหนึ่งแล้วก็นอนแล้วกมวม็มีความสุขที่สุดเลยวันนั้นะคือหลับสบายเพราะว่าเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมากใน้ความสบายกันนั้นะเช้าตื่นมาปรากฏว่า ไอ้ความเมื่อสีขาวเนี่ยรู้จักแลยมคืออะไรก็หมอกลงอ่ะโยนหมอกลงแล้วยิ่งแย่ไปตอนคืนเพราะมันลงระยะไกลๆไม่เห็นอะไรเลยหมอกลงจัดมากเดินแม้กระทั่งไปเอาอาหารก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนการนี้ต้องรอนให้มันสว่างแล้วก็สายให้แดดพาที่มันส่องจนกระทั่งหมอกมันลอยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆเนี่ยการนี้มันยิ่งสายมันก็ยิ่งหนาแน่นไปฝนต้นหนาว มันก็รอไม่ได้แล้วมันก็เลยต้องเดินขึ้นที่สูงอย่างเดียวเลยกับว่าสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งปลอดภยัยปรากฏว่ายิ่งไม่ปลอดภยัยก็เลยต้องถอยลงต่ําที่สุดเพื่อให้เจอแม่น้ำํำเจอห้วยเจอเ่องหนาของลําเหมืองในภาษาเหนือเรียกาลาเหมืองเสร็จแล้วปรากฏว่ามันก็เจอจริงๆนะแต่ว่าเดินไกลมากอาหารก็ไม่เอาละนทิ้งไปเลยแต่แล้วพอเจอลําเหมืองเสร็จก็หารอยในพรานเวลาเขาล่าสัตว์ ก็เดินแกะรอยอ่ะนะเริ่มเห็นรอยเออมีลอยเท้าคนเดินก็แกะเราแกะทวนขึ้นไปเรื่อยว่าชาวเขาเมื่อจะอยู่ที่สูงเนี่ยเราแกะ่องลอยสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็ไปออกหมู่บ้านปากกล้วยมันก็ได้รสแซ่ดนะีเวลาไปแบบไม่ต้องมีไม่รู้จะไปทิศทางไหนเลยรู้สึกจิตมารวมตัวดนะีการจะเอาชีวิตรอดก็รู้ว่าอาหารอยู่ตรงไหนอาหารยอดใบไม้มลักษณะไหนลองกินลิ้มรสดูอนะไรเงี้ย มันก็เป็นวิชาที่เหมือนกับว่าสัญชาตยานก็จะบอกทิศบอกทางเราระดับหนึ่งยิ่งเวลาเรามีครูบาอาจารย์พระดุดงเนี่ยเวลาเข้าป่าไปบางทีก็จะตุดงแล้วกลับมาก็จะมีลักษณะตัดของฝากมาฝากครูบาอาจารย์ด้วยเช่นทำไม้สีฟั น, นต้นคนทาเนี่ยเป็นต้ น, นที่ ทำเป็นไม้สีฟันได้ต้นคนไทยในวัดนี้ก็มีมเยอะด้วยรั้วต้นค่อยเวลาเจอต้นค่อยหยุดพักเนี่ยก็ยัดดูแล้วก็ตัดกิ่งเลือกกิ่งนที่พอดีพอดีเสร็จแล้วมานั่งเ ล, ล้าลองพักผ่อนแล้วก็ทําแปลงสีฟันเรียกว่าไม้สีฟันฝากพอกลับมาก็จะฝากครูบาจานอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นลนักษณะของพระพิสุที่เราทั้งเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เห็นร่องรอย ทั้งมีประสบการณ์กันมาบ้างไม่มากก็น้อยอย่างเงี้ยหรือบางทีเนี่ยเราเดินจงกรมเราก็จะเห็นความคิดต่างๆที่มันแสดงออกมาก็เหมือนกับที่เวลาเราเดินทุดงเหมือนกันเลยความคิดถึงบ้านความคิดถึงอันตรายความคิดถึงสุขภาพที่มันแสดงออกมาหรือบางทีเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันมันเหมือนกับจำนนต่อชะตากรรมของชีวิตเลยนะบางทีเนี่ยมันจำนนไปเลย มันเหมือนกันมันมีอาการต่างๆที่แสดงออกมาเป็นความเมตตากับตัวเองก็มีสงสารตัวเองก็มีมันสงสารนี่มันก็ทุกเนาอเดินขึ้นเขาอะทุกจริงๆมันทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยทั้งไม่มีอาหารกินเนีมันก็เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาอันนี้ความทุกทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างที่เราเคยติดเคยเคยึดแล้วก็ไม่เอาดีกว่าเหมืนก็บพาอยู่รูปหนึ่งท่านก็เคยไปงานบวชเป็นพระฝรั่ง แล้วท่านก็ได้เห็นนอาการหนึ่งที่มันแสดงออกมาคือมีญาติยอมเก็ถวายไอโคกถวายปั๊บซี่นทีนี้ท่านเป็นพระฝรั่งก็นิยมอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีใครถวายท่านท่านก็มีความคิดว่าเออยากกินปั๊บซี่อยากได้ปั๊บซี่มาดื่มเนี่ยก็มองแต่ใดท่านเองท่านก็มีความรู้สึกว่า อ, อนี่มันคือความอยากเนท่านกลับมาเห็นน ความคิดของท่า น, นท่านนี้อยากเดิมโคกดื่มป๊ปซี่นะท่านก็บอกว่าท่านเข้ใาใจธรรมะเลยณจุดนั้นมันอยากสุดๆมันทุกข์สุดๆเนี่ยตอนนั้นอะไรที่มันเป็นการบีบกันไปในจิตใจของเราเรียกว่าความทุกข์นะรั่วร่ า, างกายของเราต้องเน็ตต้องเบรย์ต้องหิวต้องกระหายหรือว่าต้องพัดภาคจากของรักบ้านช่องตรเนี้รั่วคนลัก พัฒนาสิ่งใดความสะดวกสบายมันไม่ได้มันมาในรูปร้อยความคิดแต่เรามีความรู้สึกตัวฉับพลันเลยนะมันก็จะสามารถที่ปล่อยที่วางได้ทันทีเลยนะรู้สึกว่ากําลังคิดอยู่เนยะก็เลยมีสติเห็นจิตอย่างนะี้เลยรู้ว่ารู้สึกว่ากําลังทุกกายบีบเค้นอยู่นะมีสติเห็นกายทางความเป็นจริงช่วงทางเป็นเห็นเป็นรูปธรรมเป็นนา ม, นมาธรรมมันต่อเนื่องชื่อมโยงไปนอกไปในะมันเป็นกระแสที่มันจะเดินทางหาไหลไปเองตาม กฎของกรรมฐานตามกฎของธรรมชาตินมันก็สนุกไนะเวลาปฏิบัติทำผมเลือกธรรมะในเคยอีกครั้งหนึ่งไปเดินอยู่ที่อสีปะทะนะสีปะทาประเทศสีลังกาช่วงนั้นเนี่ยได้มีโอกาสไปกับอาจารย์ไพศาลรูปหนึ่งแล้วก็เขียนในรูปหนึ่งเสร็จแล้วเดินไปเนี่ยปรากฏว่ามันมันไม่เห็นยอดเขาเลยนะยอดเขาตรงนี้มันทะลุแล้วก็คือมันเห็นเมฆไม่เห็นยอดเขา มันผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งนะเราอยู่ด้านล่างเนยเห็นแต่ก้อนเมฆเนะี่ยเราภูเขาอยู่อยู่ยอดมันหายไปเลยในก้อนเมฆก็มองหน้ากันเหมือนกันนะโอ้นี่เราจะไปบนยอดนั้นะมองหน้ากันเหมือนกันโอ้มเป็นโชคแท้ๆเลยนะทุกคนกันลืกว่าหลวงพ่อเขียนนี่จะทึงอจะขึ้นไปไม่ถึงยอดเขาตอนนั้นท่านก็ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหรนะ่นักทีนี้เราก็เดินกันไปก่อน ท่านก็เดินท่านไปเรื่อยๆแล้วก็ดูครูบอาจารย์ของเราจะเดินยังไงปรากฏท่านเดินท่านไปเรื่อยๆนะบันไดมันก็ขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นแล้วก็ที่ขั้ที่สุดก็คือมันชันประมาณหกสิบองศาไม่ใช่สี่ิบ้าดนะหกสิบมันต้องสาวไอ้ราวบันไดอขึ้นไปเลย้วมันอยู่ในช่วงยอดสุดนะคุาผูเห็นท่านก็เดินไปสบายๆคุยไปธรรมดาธรรมดาเดินไปเรื่อยๆ ผมกับอาจารย์ไปารนีไปถึงก่อนผมไปถึงก่อนแต่ว่าผมให้เกียรติเจ้าวาดว่เาเจ้าวาดตัวเตี้ยละขาสั้นนะนะอาจารไปสารนะจะให้ท่านถึงก่อนให้เกียรติท่านแล้วก็ไปเดินแล้วก็หยุดตรงให้ตรงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วให้ท่านเดินเข้าไปก่อนะให้ถึงก็จะมีก้อนหินที่ก้อนนึงที่อยู่สูงมากเสร็จแล้วเราก็นั่งมองเห็นหลวงพ่อเกียร น, นะค่อยๆเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาแล้วท่านก็บอกว่าโอ้หลวงพ่อเนี่ยเดินมาแค่เก้าเดียวเอง เดินมาแค่เก้าเดียวไม่ได้เดินเพื่อให้ถึงนะพลวงพอเดินแค่เก้าเดียวเดินไปเกนะ้าเดยวเก้าเดียวเก้าเดียวทำเก้าเดียวนะจนกระทั่งมันมั่นคงแล้วก็เหมือนกับมันมีความสําเร็จในการเดินเก้าเดียวนะมันก็ผ่านมาทุกเก้าเลยเก้าเดียว์ปลอดไปเก้าเดียรปลอดไปเราก็โอ้ในคำพูดคํานี้นี่งดงามมากสวยงามเป็นประาจัษ์ที่เรารู้แล้วคือทํำม่นในตัวท่าน เราเดินมันก็จะแข่งกันมาเจ้าที่หนึ่งเจ้าที่หนึ่งเจ้าที่หนึ่งใครถึงก่อนเก่งเีแต่ประกอหลวงพ่อไม่ได้เอาให้ถึงก่อนแล้วก็เก่งท่านเดินคือเอาชนะตัวเองว่าท่านสามารถเดินถึงได้อย่างเนีน้เราก็ให้ความเคารพเลยพระทําในตัวท่านพร้อมทั้งในตัวเราที่เราก็เหมือนกับว่าได้เห็นตัวเราชัดเจนเลยเราเดินมาด้วยการแข่งขันแต่ท่านเดินมาด้วยความ เรียกว่ามีธรรมชาติในตัวท่านคนที่อยู่รอบๆท่านานเอรอบๆข้างๆท่านก็พ อ, อยที่จะไม่เนหน็ดเน่ตท่านไปด้วยเดินไปชวนคุยไปชวนพูดไปชมนกชมไม้ไปลูกจิตที่ว่าขึ้นไม่ไหวก็พาเดินขึ้นมาไหวแต่ที่สําคัญให้เดินขึ้นขาขึ้นนยังพอทนนะโยมเดินขึ้นเขาเนะี่ยไม่เป็นไรให้ขาลงนี่สำคัญขาลงในแย่กว่าขาขึ้นเพระมันลงมันจะกระแทกเข่า ว, ว่าเขานนี้จะเสียหมดเลย ขาขึ้นนี่ไม่เท่าไหร่เปรียบเหมือนกับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันขาขึ้นนี่ไม่เท่าไหร่นะเวลาเจอความทุกข์เจอนี่บอสรามเจอความยากลําบากก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันไปเจอตัวปิติเจอปะทะทัจจุบันแล้วเจอความสุขอะไรตัวนี้ขาลงอันตรายนะเวลาปฏิบัติแล้วติดสุขติดรู้เนี่ยตัวเนี้ยตัวติดรู้ตัวเนี้ย ต, ต, ตัวอันตรายนมันกลายเป็นถล่มลึกไปเลยแล้วก็ลงเหวไปเลยนะตรงนั้นแหละมันจะทําให้เราเสียทางะ ออกนอกทางแล้วก็เสียวเวลาของการพิจธรราเพราะฉะนั้นทุกก็ไม่เอาสุกขก็ไม่เอาแตา่เห็นมันแต่การที่เห็นมันต้องผ่านการเคลื่อนการไหวเห็นเป็นอาการกริยาตรงนั้นสภ า, าวะของสติหรือว่าตาในเป็นสติปัฏฐานตอนเนี้มันจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่มันจะพาเราเดินแต่ ล, ละก้าวแต่ละก้าวต่ะหนัของปัจจนะุบันอย่างปลอดภัยที่สุดดูกายก็ต้องเห็นกายเวทนาก็ต้องเห็นเวทนา ดูจิตเห็นจิตดูธรรมเห็นธรรมอันนี้เป็นเรื่องของใครของเราแล้วที่ต้องทําตาของเราให้มันสว่างสวัยขึ้นมาอะไรที่เป็นฝ้าฟางอะไรที่เป็นลักษณะของทําให้ตาของเรามันลืมยากแลก้วก็เรียกว่าพยายามที่จะเปิดตาตัวเองกันโดยเพราะเรื่องของสติปัฏฐานเป็นเรื่องของการเดินทางสู่การพ้นทุกข์เป็นเรื่องของการเห็นทุกข์ด้วยตาในจริงจริ ง, รงตาสติตาปัญญา เอาละวันนี้นว่าสมควรกันเวลาเดี๋ยวเรากลับมาพร้อม